ยังเดินไหวยังเดินไหวก็มาไหวไม่ต้องเป็นห่วงหลวงพ่อยังแข็งแรงยังมีทธิสมานกายทำไมถึงยังแข็งแรงเพราะว่ายังไงเสียเก็ต้องนำขึ้นรอยอินทนนจนได้ฮ่าเอ่อ ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องดอยอินทนนท์ก็ลองเปิดฟังเพลงดูก็ได้แน่ร้ อ, องพ่อก็แต่งเพลงเป็นแต่ว่าร้องไม่เป็นก็ให้คนอื่นเขาร้องให้แต่งออกมาแน่เรียขาเล่นเก็บแทบเพลงซะเงียบคือว่ า, าการ ดำเนินการสอนเรื่องสมาธินี่เป็นความทุ่มเทของหลวงพ่อครั้งสำคัญเพราะว่าสมาธิทุกตรากตรางนิ้วหรือว่าทุกตรางอานูที่ได้เขียนลงไปนั้นมีความหมายทั้งสิ้นเพราะว่าได้บันจงและคิดและเขียน เป็นเวลานานแต่ว่าเนื้อความบางทีก็เป็นลูกทุ่งไปเยอะก็เพราะเหตุที่ว่าเวลาเขียนมันอยู่ที่ดอยอินทนนท์ก็เขียนไปตามถึงอย่างไรก็ตามทุกส่วนมีความสำคัญทั้งสิ้นดังที่เราจะได้เห็นว่าอันดับแรกเราจะเคลียร์พื้นที่ก่อน หมายความว่าสถานที่ทำยังไงบริเวณทำยังไงส่้งท่าตั้งทางท่าไหนที่ไหนมันสมควรจะทำที่ไหนไม่สมควรจะทำเพราะว่าการเคลียร์พื้นที่นั่นเหมือนกับเราจะสร้างบ้านาทำอะไรเนี่ยเราต้องเคลียร์พื้นที่นี้ให้เรียบร้อยเมื่อเราจะทำสมาธิเราก็ต้องเคลียร์สิ่งนี้ให้เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อไม่ให้ เรานั้นมีการบกพร่องในเมื่อเวลาไปเป็นครูบาอาจารย์ใครเข้าแล้วขั้นต่อมาก็มาถึงขั้นเรียบทต่างๆตลอดจนกระทั่งวิธีการที่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเธอการเริ่มต้นนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็จึงได้เคลียแบบเดียวกันกับ แนะนำทุกๆจุดที่เกิดขึ้นว่าสมาธิเนี้ยมีจุดไหนบ้างที่เราจะต้องรู้และจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นจุดต่างๆที่เขียนเอาไว้นั่นคือจุดการเดินของจิตว่าจะไปกันยังไงจะเริ่มต้นกันด้วยวิธีไหนทีนี้จนกระทั่งมาถึงอันดับสุดท้ายของการขึ้นต้นก็คือการบริกรรม ที่กำลังเรียนอยู่นี้ก็เรียกว่าทำตามขั้นตอนทุกระยะเพราะว่าขั้นตอนเหล่านี้เราจับเอาแต่จุดสำคัญสาคัญมาเป็นระยะและมาเป็นขั้นตอนเราจะมองดูในขณะที่เราเรียนเน่เรามองดูเหมือนกันกับว่ามันง่ายอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะง่ายอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ถ้าหกว่าเราย้อนหลังกลับคืนไปเนี่ย เราจะไม่เราจะไม่รู้เรื่องเลยที่เรามาเรียนเนี่ยหรือเไม่เคยรู้เรื่องแต่ว่าเพิ่งจะมารู้เรื่องพอมารู้เรื่องแล้วเราก็คิดว่ามันง่ายแต่เราก็ต้องคิดถึงคนที่เขาไม่รู้เรื่อง เ, อเราก็จะต้องหาวิธีที่จะแนะนำอย่างนั้นด้วยเนื่องจากว่าการทําสมาธิที่ได้วางแบบแผนไว้เนี่ย จะทำให้เป็นสมาธิแบบไฮเทคเพราะอะไรเพราะว่ามากำเนินถึงที่เขาพากันพัฒนาด้านวัตถุต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายานพาหนะหรือพัฒนาการสื่อสารหรือพัฒนาเครื่องใช้สอย ประจำวันหรือพัฒนาการเกษตรทุกอย่างเขาจะมีการพัฒนาโดยการที่ทำให้เกิดความรวดเร็วยิ่งพัฒนามากเท่ า, ทาไหร่เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำสิบชั่วคนเนี่ยเขาทำแ้่ชั่วคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิก็ควรที่จะเป็นเช่นนั้นบ้าง ไม่ใช่ว่าเราพัฒนาไม่ได้สมาธิก็พัฒนาได้เพราะฉะนั้นจึงได้เลือกคัดจัดสรรเวลาการเดินจงกรมก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีการเทเข้ามาศึกษาก็ดีอันนี้รั้นแล้วแต่ได้คำนวณมาแล้วว่าทำเท่านี้พอแล้ว และทาเท่านี้ผลมันก็ออกมาเยอะด้วยอย่างนี้เป็นต้นบางทีเราอาจจะคิดว่าทาเนี่ยมันจะต้องทำตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งาการทามากก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าการทามากนั้นไอ้จุดประสงค์น่ต้องการอะไรตรงไหนที่เราจะเอา ทีนี้พอทำมากข้าไฟมากเข้าไฟเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตรงจะมันไม่มีตรงที่จะเอาก็เลยมากไปเปล่าจริงๆแล้วนั้นอตรงที่จะเอามันมีอยู่ที่จะเอาแต่ว่าเราก็เรียกว่าอคลำหรือเรียกว่าอะไรก็ช่างกวาดมันเข้ามาก็แล้วกันอย่างเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เอาตรงจุดที่ต้องการ จี่จุดต้องการจริงๆอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ย่างเข้ามาในโรงเรียนนี้หลวงพ่อฉันให้จุดไว้เลยว่าจุดที่เราจะเอานั้นคือจุดพลังจิตจุดพลังจิตเป็นจุดที่เราต้องการีนอันดับแรกเราลองคิดดูว่าคนที่ทำอะไรละเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนอย่างนี้น อย่างการที่ทําสมาธิอย่างนี้เราก็คิดว่าเอาสบายเป็นเกณฑ์จิตรวมเป็นเกณฑ์สบายเป็นเกณฑ์อย่างเนี้ยแล้วรวมไปทำไมสบายไปทําไมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เ, เมื่อจุดประสงค์ของสมาธิจิตแท้จริงนั้นคือพลังจิตเราจะทําวิธีไหนให้พลังจิตมันเก็บเข้ามาเนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเช่นเดียวกันกับว่าคนไปหาเงินที่จริงแล้วจุดประสงค์เราต้องการเงินทางานก็ต้องการเงินทำธุรกิจก็ต้องการเงินจะค้าขายอะไรอาบเหงื่อต่างน้ำอะไรทุกอย่างเนี้ยอาจจะเอาเงินเนี่ยก็จุดประสงค์มาอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้คนก็ควานมันไปเรื่อยๆ อะไรก็ได้ความเข้ามาความเข้ามาแต่ไม่ได้รู้จักอยู่ประสงค์หรอกว่าเขาจะต้องเอาเงินแต่ก็ควานกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้น เ, เรื่องของการที่จะทำสมมาธิเนี่ยให้มันเกิดผลจริงๆนั้นคือพลังจิตด้วยเหตุดังกล่าววิธีการที่จะทำให้เกิดพลังจิตจึงมีวิธีการเกิดขึ้น อย่างที่ได้แนะนำมาเนี่ยวิธีการที่จะทำให้พลังกิจเกิดขึ้นการที่จะทำให้พลังกิจเกิดขึ้นมาได้นั้นเริ่มต้นว่ากาันมาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วก็บอกให้เป็นระยะระยะมาจนกระทั่งถึงมาถึงการถอนลมหายใจขณะทําความหยุดอันนี้ก็มาเป็นอีกระยะหนึ่งเรียกว่าจุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้ เพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญอย่างจุดที่กําลังจะเป็นตัวของตัวเองมาถึงตอนนี้ตอนนี้จะเอจะมีแหละคือว่าจะเป็นตัวเราเองแหละต่อไปนี้คําว่าเป็นตัวเราเองนั่นอ่ะมันต้องบรรลุนิติภาวะหรือว่าอจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ ไม่ฉะนั้นจะเป็นตัวของตนเองไม่ได้ในการเป็นตัวของตนเองเนี่ยเราลองคิดดูด้วกันว่าสมมติว่ า, วาเราแต่งงานเสร็จแล้วเราไม่อยู่กับครอบครัวแล้วเราจะต้องแยกออกไปเวลาแยกออกไปนั้นทางพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ให้อะไรเราออกไปตัวเปล่า สองคนไปตั้งลกรกหรือว่าธรมาหากินเองเมื่อเดินออกจากบ้านไปนั่นมันจะรู้สึกเบาขนาดไหนมันจะรู้สึกว่าเวขนาดไหนมันจะรู้สึกว่ามองหาจุดที่หมายตรงไหนกันเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราหยุดเราไม่นึกพุดโธแล้วทีนี้จิตเนี่ย ต้องตั้งถ้าไม่ตั้งไม่ได้ถ้าตั้งไม่ได้กลับใหม่ต้องไปหาพุทโธกันใหม่ถ้าตั้งได้ตั้งไว้ตรงไหนรักษาไว้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นในตรงนี้คือหมายความว่าแต่ก่อนนั้นเราอาศัยพุทโธเราอาศัยคำบริกรรมเวลานี้เราไม่อาศัยคำบริกรรมเพราะว่า เราต้องการความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในที่นี้ตามภาษาบาลีเขาบอกว่าอินรียอินรีแปลว่าความเป็นใหญ่ไอ้ความเป็นใหญ่อันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อผิดเนี่ยมันได้เกิดเป็นตัวของตัวขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยโน่นอาศัยนี่มันตั้งได้ตั้งได้คืตั้งยังไงได้ตั้งอยู่ที่ผูร้รู้รู้อยู่ตรงไหนตั้งอยู่ที่ตรงนั้น แล้วทีนี้มาในตรงนี้เราก็บอกว่าไอการหยุดเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยึดเอาไว้มันเหมือนกันกันกบตัวประสาน ง, งานอย่างเนี้ยที่เราจะต้องยึดเอาไว้ก็คือลมหายใจในบรรดาร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าลมหายใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจะเ อ, อเป็น แข้งขามือเท้าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามอันนี้มองเห็นแต่ว่าลมหายใจนี่มองไม่เห็นมีแต่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยุดคำบริกรรมแล้วเนี่ยทุกอย่างนี่มันจะคลายความรู้สึกออกไปหมดมันจะคลายคือคลายออกไปพอมันคลายออกไปแล้วมันก็เหลือแต่ผูร้รู้ทีนี้เมื่อเมื่อเหลือผู้รู้แล้วเนี่ย อ้าหาว่าไม่มีอะไรเหนียวสักนิดหนึ่งเนี่ยในผู้รู้ตัวนี้ก็จะกวาดแกงรงพอเกิดการกวดแกรงเข้าทีนี้ก็จะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาพุดโธใหม่อีกแล้วหมายความว่าออกเรือนไม่ไหว อ, อไม่มีที่ยึดเ อ, อเพราะฉะนั้นเวลาทีเ่เราละพุทโธแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะลมหายใจที่ให้ปรากฏ ก็ลมหายใจเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าไม่ใช่เข้าไม่ใช่ออกอย่างเดียวธาตุลมเนี่ยมันจะไม่ใช่ลมเกี้ยหายใจอย่างเดียวในร่างกายของเรามันจะมีลมอย่างอื่นอีกเยอะแต่ก็เรียกว่าเป็นธาตุลมจะมันพัดไปพัดมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะที่เราหยุดการนึกพุดโธแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอ ความรู้สึกละเอียดคือเป็นอากาศธาะทัอากาศธาะทชนิดแล้วอากาศธาะษันั้นเราจะไปเรียกว่าอะไรเราก็ต้องเรียกว่าลมเพราะว่าในร่างกายของเรานี้เขาให้ไว้เพียงแค่สี่ธาตุคือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมแล้วเวลาที่เราหลับตาภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้าง จะไปดูดินก็ไม่ได้จะไปดูน้าก็ไม่เห็นเอ่อจะไปดูไฟก็ไม่มีเดี๋อย่างเงี้ยมันก็มีแต่อากาศสาทธาเพราะฉะนั้นในอากาศสัทธเนี่ยเอ่อที่มันยับยั้งผู้รู้คือใจของเราเนี่ไว้ได้อ่อคืออยู่ในอากาศสาศัทธเมื่ออยู่ในอากาศสัทธก็คืออยู่ในลมเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตของเรามัน อรวมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ว่างเปล่าไ <_: S 2> อ้อ น, นั่นแหละคือถ้าหากว่าเราไม่อยู่ในที่ว่างเปล่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราลองคิดดูว่าเวลาจิตมันสงบเนี่ยถ้ามันไม่ไปอยู่ในตรงนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนอ่าจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะไปอยู่ตรงสะดืออ่อยู่ตรงหน้าผากไปอยู่ตรงจมูกไปอยู่ตรงไหนมันไม่ได้ทางนั้นเพราะเวลานั้นแล้วเนี่ย หน้าผากก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีท้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันเหลือแต่อากาศสราทดถ้าหาว่าไปถึงตรงที่เรียกว่าเราละพุโทโธได้นะละพุโทโธได้จิตยังนิ่งอันนั้นจะไปอยู่ที่อากาศสระทดเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าธาตุลมที่เราไปตั้งอยู่จิตของเราไปตั้งอยู่ที่นั่นอ่ะไอธาตุลมอันนี้นี่ธาตเราจะ มองให้ดีๆเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันละเอียดเท่าละเอียดเท่ามันละเอียดเข้าไปเท่าไหร่มันก็สบายเท่านั้นใครสบายละ่ะก็ใจอันนี้ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันสบายนะตัวผู้รู้ที่มันสบายเนี่ยไอ้ร่างกายนี่มันไม่รู้เรื่องแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันไปสบายอยู่ที่ตรงใจใจของเรานี่มันสบายพอมาถึงตรงนี้ เราก็หวนกลับมาที่เราพากันมีชีวิตประจำวันในการมีชีวิตประจำวันนั้นเราก็ใช้ขาของเราเดินใช้มือของเราทำใช้ตาของเราดูทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราต้องเดินต้องทำต้องดูต้องพูดอะไรอย่างนี้แล้วทั้งเดินทั้งทำทั้งดูทั้งพูดอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแม่งก็เกิดความรู้สึก รู้สึกว้าเราเดินรู้สึกว่าเร า, เาดูรู้สึกว่าอะไรต่างๆเนี่ยพราะในความรู้สึกเรานี้เกิดขึ้นมันก็มีทุกอันหนึง่งสุกอันหนึง่งเดินไปเหยียบตะปูเข้าไม่ไหวอะ่ะเดินก็ไฟเวลาปิด เ, เวลาปิดประตูรถเข้ามันหนีมือเอาเนี่ยคนอะ่ะชอบจะเปิดประตูรถให้หลวงพ่อ แล้วเวลาปิดก็ไม่ดูมือหลวงพอ่อซะก่อนเล่นปิดปั๊บเข้าไปโอ้อยงั้นโอ้ยที่ไหนได้เลบเขียวแล้วมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอความทุกข์เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจของเรานั่นเองใจนั่นเองที่มันไปรับความทุกข์เข้าแต่รับความสุขเขา้าเนี่ยงนี้เพราะฉะนั้น พอเวลาที่จิตมันนิ่งลงไปเนี่ยพอเวลาที่มันไปอยู่ในอากาศสัทธาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีหอกร่างกายอันนี้มันมีใจใจถ้ามันมีความสุขกวามสุก็สุขทรงใจร่างกายไม่รู้เรื่องสุขทรงใจด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงพัาพยายามที่สุดที่เราจะตามจับตัวนี้ให้ได้ก็คือผู้รู้ เพราะฉะนั้นผู้ที่มานั่งสมาธิกับหลวงพ่อขั้นแรกเลยหลวงพ่อก็บอกว่าใครเป็นผู้รู้บอกรือถามเลยทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะจับตัวผู้ที่คือจะจับตัวผู้สั่งการให้ได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรามาถึงขั้นเขาเรียกว่า ขั้นที่ลมหายใจขณะที่เราทำความหยุดพูดว่าลมหายใจเนี่ย เ, เพราะไม่มีอะไรจะพูดก็เลยเอาลมหายใจมาเป็นตัวประธานไว้ก่อนที่จริงแล้วนั่นนะคือลมชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอากาศประทัดจิตของเราจะไปอยู่ที่นั่นถ้าหาก็า่ามันจะหายเข้าหายออกอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในความรู้สึก ในที่สุดของที่สุดเนี่ยมันจะไม่รู้สึกลมหายใจมันจะอยู่ในอากาศสราทะทีนี้ตรงเนี้ยเราจะรู้กําลังของเราหลับทีเนี้ยว่าเราเนี่ยมันเก่งกาจสามารถแค่ไหนตัวเราเองเนี่ยที่นั่งสมาธิกันเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถแค่ไหนไม่ต้องให้ใครไปไปเทียบไปเคียงไปพูนเทียบเคียงเองเลยว่า ที่อยู่ในอากาศสาัทธาเนี่ยคุณอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าคุณอยู่ได้นานเรายอมรับบุคคลคนนั้นใช่ได้เพราะว่าเขาสามารถจะออกเรือนธรรมหา ก, กินได้เองเราควรจะยกย่องอย่างนี้เป็นต้นทีนี่ถ้าหากว่าเขาไปได้แป๊บเดียวไม่ไหวแล้วก็ต้องกลับมาหาพ่อหาแม่ใหม่อันนี้มันก็ เรียกว่ายังไม่สามารถเนี่นี่เราจะสามารถที่จะสามารถที่จะวัดผลหรือวัดตัวเราเองได้ว่าเราตั้งอยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนอากาศสาุทธาตรงนี้ยตั้งได้นานแค่ไหนทีนี้บางทีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างไอที่ไปตั้งอยู่เนี่ยพอตั้งได้แป๊บเดียวเขา้เขารวังไปจ้อยไม่ใช่ความแล้ อ่าลับฟีฟไม่รู้ใครไม่รู้เมื่อวานเนี่ยนั่งแล้วก็ฟีฟโอ้ยไอ้ น, นี่มันเข่าวความแบบไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะต้องเอามือไปแย่สีข้างซะหน่อยถ้าใครฟีทีเนี้ <c oughs> ทีนี้เราเราจะต้องรู้ว่าไอ้เวลาที่เราหยุดพุดโธแล้วเนี่ยนะแล้วจิตที่มันทอดไปอยู่ไอ้ตรงพวังตรงเนี้ <c oughs> ถ้าอยู่ได้นานก็เก่งคือว่าจะให้มันเข้าภาะวะอันหนึง่งจะให้มันถอนกลับอันห น, นึ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่เราต้องการอยู่ทีนี้คนทั้งหลายเนี่ยนะยังเข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อมันเข้าภาะวะเข้าชานสบายแม่หมอนี่ยมันเก่งยอดเยี่ยมม่เข้าชานา ไ, ได้สั้งห้าวันมันเข้าชานได้สั้งสามวันเข้ า, าไาม่ต้องกินอะไรอย่างเงี้อันนี้เก่งจัง ที่จริงแล้วเนี่ยไม่เก่งหรอกเพราะว่าอตรงนั้นมันตรงไปสวยสุดทีนี้ตรงที่จะต้องทําให้อยู่ที่ในอากาศสุธาตตอนที่มันหยุดเนี่ยตรงเนี้ยอ่ตรงข้อที่ห้าเนี่ยอมันหยุดจุดตรงนี้นานเท่าไหร่สมมติว่าอยู่ตรงนี้นานไปถึงสามสิบนาทีนี่ตรงยอดเยี่ยมที่สุดเรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุด โดยมากจะอยู่ห้านาทีหกนาทีไม่กี่นาทีหายไปแหละเพราะว่าจิตเนี้ยน่ะมันมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งว่าใจของคนเราเนี่ยมันชอบความสุขไม่รู้ว่าเอะจะชอบความสุขรูปเดียวอย่างเนี้ยจะทำอะไรก็ต้องการความสุขจะทำอะไรก็ต้องการความสุขอ่าเห็เนี้ยไอ้คนที่ต้องการความสุขไอ้แบบที่ไอ้แบบที่เกลียดเนี่ย เราลองคิดดูสิอีกคนเนี่ยนอนตะพืชแต่มันอดนะ่ะข้าวไม่มีกินอะ่ะนอนระพืช น, นี่มันเอาอะไรมาได้อ่ะมันได้อะไรนอกจากไปขอทานพอทานเสร็จแล้วก็นอนนอนเสร็จแล้วก็ขอทานไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะแบบนี้จะเรียกว่าเอ อ, อยากได้ความสุขแต่ว่าไม่ทําอย่างเนี้ยทีนี้ อ, อแบบเดียวกันเวลาที่ทํากิจ อันนี้เราต้องจำานะอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดเล่นของจริงอันนี้ต้องจาจำแล้วเราต้องทำอย่างนี้หมายความว่าเราเนื้พูโทโธพุทโทพุโทโธไปพุโทโธก็ดีสามารถทำให้เกิดสมาธิระดับหนึ่งระดับหนึ่งทีนี้พอมันได้ที่แล้วเราหยุดอย่างเมื่อวานแสดงความหยุด พอหยุดแล้วทำไงต่อพอหยุดแล้วต้องอยู่นานๆอยู่ตรงนั้นเพื่อเอากำลังอย่างนี้เหมือนกันกับเราสร้างบ้านสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยแทนที่จะอยู่มันไม่มีปัญญาอยู่เพราะอะไรเพราะความไม่พร้อมเมื่อความไม่พร้อมไม่มีปัญญาอยู่มันก็เรียกว่าสร้างเอกพลังตง้างๆขึ้นมาไม่ได้ เราลองคิดดูแบบไอ้ลิงเนี่ยถ้าใครเพราะว่าเวลานี้มันมีแต่ลิงเขาดินลิงในป่าพวกคณะนักศึกษาไม่ค่อยจะเคยเห็นกันอย่างหลวงพ่อเดินทุ ด, ดงนี่เจอลิงน่าดูอ่ะแต่ทีนี้พอเวลาเราไปเจอลิงอย่างเงี้ยนะเจอลิงเสร็จแล้วฝนมันก็ตกตกเราก็มีร่มกลางจดมีนั่งสบาย เราแงไปดูเขิ่มนลิงน่ยมันก็หักกิ่งไม้แคามาหักกิ่งไม้แคบก็เอามามาแล้วมันก็มองมันสองดวงมันจะเห็นตรงไหนรั่วมั่งมันก็เอาท่านอย่างนี้มองแล้วมันเห็นแล้วก็เงอะปพอมันทำเสร็จแล้วมันทำไงมันขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วไอ้ริงเอยไอ้ลิงพุทธสาวมองเกือบตาย ดันไปนั่งข้างบนน่ะแล้วก็มัก็ตกใส่ที่นั่งข้างบนก็ลมได้อย่างไอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ต้องสร้างพลังเพื่อที่จะหาบริษัทบริวารหาเงินหาทองหยายศถาบรรดาศักดิ์ก็เพราะว่าเรามีเรือนแบบนี้เรือนของเราแบบนี้เราอยู่ได้เป็นสถานที่กองบัญชาการเพื่อให้เงินทองมันเข้ามาก็คือ ได้ตรงใช่มันอยู่ที่อากาศสะพัเพราะฉะนั้นไอ้ยังคนที่บริกรรมไม่รู้จักเลิกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตําราไหนมาทำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้แบบนี้แบบสร้างเรือไม่รู้จักจบแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องอันนี้เนี่ยมันจาเป็นที่ว่าเราเนี่ยมันต้องเข้าใจเพราะว่าการเข้าใจในเรื่องอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการก้าวไปข้างหน้า นี่ถูกต้องที่สุด น, นแต่ทีนี้อบริกรรมหลวงพ่อก็บอกว่าต้องบริกรรมคนก็บริกรรมทีนี้พอเวลามันจะหยุดก็ไม่หยุดทีนี้มันไม่ได้มันต้องมีการหยุดเพระาะฉะนั้นจึงบอกทีละชั้นละชั้นทีท ล, ะนท ล, ะนทละสะเต็ปสเต็ปพูดภาษาอังกฤษกบ้างสเต็ดนี้ควรทําอย่างนี้สเต็ดนี้ควรทําอย่างนี้นี่เพื่นจะไปบริกรรมโอ้จะบริกรรมอะไร บ้างหนอก็บ้างหรือไม่น้อยก็บ้างหรือว่าโทก็บ้างพุทธบ้างนาบ้างออะไรบ้างสารพัดที่เขา อ, อบริการกันแล้วก็บริกรรมมันอยู่นั่นแหละเ อ, อแล้วก็ว่าได้ดีก็ได้ดีจริงหรอกแต่ว่ามันอยู่ในขั้นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีกว่านั้นก็ควรจะทําอย่างที่ว่าเมื่อเวลาถึงเขาหยุดต้องหยุด ถึงเวลาหยุดแล้วจะทำยังไงต่อไปหลวงพ่อเขาบอกแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปอันนี้คือระดับเพราะฉะนั้นการที่เราทำสมาธิมาเนี่ยหลายคนที่ทำสมาธิมาทั้งหมดนั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกและหลวงพ่อก็ยอมรับว่าผู้ที่ทาสมาธิมาก็ได้พลังจิตมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามส่วนละเอียด แล้ส่วนจุดสาคัญสาคัญนั่นอ่ที่ทำมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ยังมีอีกแยะเพราะฉะนั้นจึงได้ค่อยๆทำแค่ค่อยๆสอนมาทีละเปราะละเปราะละเปราะละเปราะอ ย, าอย่างที่สอนมานี่แหละแต่ทีนี้บางคนเลยเลยล้พ่อไปเลยอย่างเงี้ยมันยังไม่จันถึงเพราะฉะนั้นอันนี้ภาคนี้มันยังอยู่ภาคบริกรรม อภาคบริกรรมยังอยู่ภาคบริกรรมทีนี้มาอยู่ภาคบริกรรมเนี่ยมันก็ต้องพูดกันให้ละเอียดในภาคบริกรรมพอเลยภาคบริกรรมไปแล้วทีนี้ก็จะไปอยู่ในภาคสมาธิคราวนั้นเราก็จะเรื่องสมาธิทั้งสิ้นสนุกกันใหญ่ออตอนนั้นแต่ว่าทีนี้มันก็เป็นนี่ยงเรื่องเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นไม่จบแล้วก็ดันไปตีและครังแล้วตีอีกพ อ, อไปถึงเมืองเขมรแล้ว <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมาต้อบอกฮะไม่เป็นไรร้ อ, รองถ้อไม่เป็นไรร้องอคือว่าไปนั่งแล้วพูดไม่ออกมันเคยยืนก็ต้องยืนต้ อ, ตอบอกว่าเมื่อไปเชิญพเมรุน ก, ก็ตื่นเช้าบอกว่าเขาก็พาไปบินธ บ, บาต พอพาไปบินธบาทเสร็จแล้วกลับมาตะวันอบินธบาตอะไรก็ใหม่รูปดันไปบินธบาตแลเกือบสิเบเอ็ดโมงโอ้เมืองเมืองนี้แปลกประหลาดเว่าทําไมต้องบินธบาตต้องสิเบเอ็ดโมงบอกว่าอ ย, ยอมมันไม่ตื่น <c oughs> มันติดมันติดนี่สายฝรั่งเศสฝนะรั่งเศสมันนอนก็จะต้องตื่นแปดโมงอย่างเงี้กว่าจะหุงข้าวกว่าจะอะไร โอ้ยสิบเอดโมงแล้ไปทีนี้ไอตอนเช้าเราก็หิวสิออาจารย์ก็รู้สีกอมองตากันเราหิวแล้วจะทําไงมันก็หมดท่าน้ําคนละจอบอน้ําชินแล้วจะทำกับจอก <c oughs> แล้วก็หันหน้าให้กันแต่ทีนี้ไอตอนเช้าเนี่ยเขาไปแอบกินขนมปังที่ไหนไม่รู้แต่เขาไม่ให้เราอ่ะเราก็เลยฉันแต่น้ําเรื่องนั้นอืม แล้วทีนี้บางทีบินทบาทนะบางทีเที่ยงยังไม่กลับเลยนี่มันเที่ยงแล้วแบบนั้นโอ้ยเวลาไม่สำคัญว่ า, าก็ไปดีเอยนี่เราทำยังไงกันดีเนื่อตกลงก็ไม่ว่ากันเขาเอามาไหลเราก็เอามานั้น <c oughs> มันรู้แล้วรู้รอดไป <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปแสดงระบาดเอา <c oughs> ว้าอาเถอเนี่ยมันตีละค้งแล้วเนี่ย <laughs> ่าอเวลาทำไมมันไปเร็วนักเนี่ยตอนเนี่ยพราะฉะนานก็แสดงว่าร่างกายของหลวงพ่อนี่ เ, เข้มแข็งขึ้นแยะแล้วไม่มีโนนปลเลมแล้ววันนี้ก็ไปเจาะเลือดมาแล้วทุกอย่างหัวก็บอกว่า perfect วา ครับนมัสการพระอาจารย์คะสิตมีเรื่องอยากจะถามว่าเวลาที่ว่าจิตว่างนี่คือสมองเราต้องปัจจัยความนึกคิดเรื่องทางโลกนี้ใช่หรือไม่ค ะ, ะเวลาจิตว่างก็คือจิตไม่ได้บริกรรมพุทโธแล้วใช่หรือเปล่าหรื อ, อยังบริกรรมพุทโธอยู่ เวลาจิตว่างคือช่วงที่บริกรรมพุโทโธอยู่อค่ะช่วงที่บริกรรมพุโทโธอยู่ถ้าหากว่าจิตว่างก็อันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรดําเนินไปเรื่อยๆดำเนินไปเรื่อย ๆ, นนอยๆจนกระทั่งว่าเราสามารถละคําบริกรรมนั้นได้ถือว่าใช้ได้คุณค่ะอะก็ขอเชิญคุณประสิทธ อูพัฒนากุลกรรมนักการพระอาจารย์ครับช่วงนี้อยู่ช่วงของการปรับา ก, าการบริกรรจากลมหายใจมาเป็นที่หน้าฐานะฮะคิดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะเข้าที่เข้าทางแต่ว่ามีเจตมีเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเรียนํามอาจารย์ครับคือก่อนที่จะมาศึกษานะฮะ กาจานี้นั่งอยู่เฉยๆนะฮะไม่ไม่ได้หลับตานะฮะมีความรู้สึกว่ามีแสงขึ้นจากศีรษะน ะ, ะจากภายในนะฮะขึ้นมาที่ศีรษะแล้วบานและใครแตกฮะปากแตกฮะผมตกใจฮะแล้วมือค่ยยี่ค่ยี่ยะฮะตกตกที่ศีรษะแล้วก็หายไปแล้วหลังจากนั้นนะฮะมีเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคืออยู่หน้าจอทีวีะฮะผม เวลาไม่ได้ดูทีมักจะหลอกตาพักผ่อนใชตาบังเอิญมีดวงอาทิตย์วิ่งมาฮะผ่านเมฆนะฮะหลายชั้นนะฮะผมก็ตกใจเองครับกลัวตาจะเสียไห้ถ้ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะอ่ะตอนที่มั น, เ, นเกิดที่กลางทิศตะเฉินใช่มั้ยครับ ให่ครับแล้วเกิดการพิสารเนี่ยเราลืมตาอยู่ไปเห็นได้ยังไงหลับตาเนี่ยต้นนั้นต้นลืมตาฮะแต่มีความรู้สึกกับเกิดจากความรู้สึกอ๋อเป็นความรู้สึ ก, ค ร, สกครับผมถือว่าเป็นความรู้สึกก็แล้วกัน <c oughs> แสงสีน้ําเงินเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นออันเนี้พูดตรงความคิดเห็นว่าอาก็จะเป็นอน กิริยาหรือเเรียกว่าไอ้ความที่มันเกิดขึ้นจากใจเนี่ยแล้วมันใจของเราเนี่มันจะมีไอ้ความไอ้นึกคิดเป็นอะไรอะไรเยอะๆไอ้การนึกคิดเนี่ยมันอาศัยการนึกคิดที่รุนแรงเกิด ค, ความรุนแรงขึ้นพอเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยมันจะปรากฏจะเหมือนเกันครับ ท่าที่วิงเข้ามาก็ได้หรือจะเหมือนกันกันกบเป็นแสงอะไรก็ได้สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นมาจากความเอ็นคิดอยู่ที่ในใจเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่านึกในขณะนั้นมันคงฝังไว้นานแล้วแล้วก็มันก็คงจะกลายเป็นอารมณ์เป็นตัวเขาเที่ยากับพูดตัวอารมณ์เป็นตัวก็รดน แต่สิ่งเหล่านี้รลวงพ่อคิดว่าเราไม่น่าจะเอาใจใส่มากเกินไปเพราะหลังจากมาทําสมาธิที่นี่แล้วมันเกิดไหมยังครับกําลังปรับะระบบหายใจอยู่เพราะก่อนนี้อญาติเคยแนะนําให้ทําสมาธิแต่ผมทํามากไม่ทำมากเคยมากทํำตอนนอนไม่หลับแล้วนอนทําอำทีนี้เมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาทําความรู้ ใจของเราเนี่จะรู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะมันเกิดมาจากไหนใจจะรู้ในเมื่อเราทำจิตของเราใ้เข้าสู่ปัจมะทุติยะอั น, นี้เราก็ยังไม่ทําถึงคือจิตจะเข้าไปสู่จิตรวม จ, จิตที่มีกำลังชนิดหนึ่งจะรู้ว่าแสงพวกนี้มันคื อ, อกิริยาของอารมณ์ชนิดหนึ่ง แลนะถ้าเราไม่ไปเอาใจใส่มากเราก็กำหนดอยู่ที่จิตแต่เมื่อเวลาจิตมันสงบลงไปแล้วเนี่ยแสงเหล่านี้ก็คงจะไปเป็นประโยชน์ที่หลังบ <c oughs> ขอบคุณครับต่อไปก็ขอคุณประเสริฐพันธะิรันกราบนวัตการหลวงพ่อก็ผมจะกราบเรียนถามหลวงพอเมื่อนั่งทำสมาธิ เวลาจิตสงบเรียกว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมแล้วเราจะถามใจตัวเองว่าใครคือผู้รู้เพราะหลวงพ่อบอกว่าให้รอคําตอบจากที่เราถามในใจใครผู้รู้ช่วงนี้เราจะขัดภาวนาพุทโธเพราะตอนแรกๆภาวนาพุทโธพุทโธจิตกําหนดลมหายใจที่ปลายจมูกในเมื่อไม่ต้องภาวนาพุทโธ ร, ระหว่างที่รอคําตอบ แล้วจะให้จิตกำหนดอารมณ์ไว้ที่ไหนครับอ่คือคำถามที่ว่าใครเป็นผู้รู้นี่ต้องถามตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มแรกของการทำสมาธิพอถามเสร็จแล้วนี่ไม่มีคำตอบคือถามเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เราไม่ต้องเอาใจใส่ต่อคำถา ม, มนั้นเพราะว่าอ่าคำถามนี้โดยจุดมุ่งหมายต้องการให้คำถามนี้เข้าไป ห, หายไวด้วยใจหรือไวในใจเพราะใจของคนเรานี่มันเหมือนกันกับฟิล์มถ่ายรูปพอกดแคบมันกดติดไว้ในใจกดแคบมันกดติดเพราะฉะนั้นเราใช้คําถามว่าใครคือผู้รู้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่ไปเห็นอะไรแล้วไปถามเพราะว่าในระยะที่เห็นอะไรตอนอะไรเนี่ยจิตมันสงบมันรวมแล้วจิตสงบรวมแล้วเราไม่ต้องถามเราถามตั้งแต่ เราเริ่มต้นแล้วทำไมต้องมีคำตอบฉายไว้ฉายไวอย่างนั้นนะแล้วต่อไปผลที่มันจะเกิดขึ้นเออเองอ่ะเป็นคำตอบเองในอนาคตขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณประเสริฐภูติมหาตมะจับนสกันพระอาจารย์คับสิทธิขเรีนถามเร่สมาธิหลังจากที่สิทธได้นั่งสมาธิที่วัดได้สงวัน สิได้ประโยชน์จากสมาธิคือหายง่วงนอนในเวลาตอนบ่ายและตอนขับรถตาสว่างรู้สึกมีความสื่นมากนอนน้อยลงกลับเร็วจึงเริ่มศรัทธานในวิชาที่กำลังเรียนอยู่ในการนั่งสมาธิเกือบเดือนที่ผ่านมาสิทธิ์ทวนาพุทธโธวางใจวิตินาภาักหลังจากมีภาพของความคิดของสิทธิ์เองภาพพระพุทธรูปฟางต่างๆภาพพระอาจารย์ภาพเจ้าแม่กุนอิมภา พ, พเพื่อนเก่ต่างๆเข้ามาเรียงให้ดูโดยตลอด จนสิตไม่ได้หยุดเลยจนกระทั่งว่าคทั้งหมดเวลาแต่สิตก็มีความสุขที่ได้นั่งสมาธิอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปครับที่เป็นอย่างนี้นั้นที่เราเห็นนั่นคือนิมิตนิมิตที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจา ก, กจิตรวมจิตสงบถ้าไม่สงบผุก็ไม่เห็นแต่ว่านิมิตคือนิมิต เราไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่มากเกินไปเพราะว่านิมิตนั้นมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าภาพที่แสดงให้เห็นว่าใจของเราสงบเป็นสมาธิมีความสุขทีนี้สิ่งที่เราต้องการในการทำสมาธิานั้นคือพลั ง, งจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรเราก็ทำความรู้ไว้เท่านั้นเอง เพราะว่าการเห็นต่างๆนี้เรายังถือว่าจิตอยู่ในขั้นระดับพื้นฐาน <c oughs> พอจิตสูงขึ้นไปหน่อยละพวกนิมิตเหล่านี้ก็จะเห็นในเมื่อเราต้องการจะเห็นขอบพระคุณครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นคุณประเสริฐเอกเหรียญวัชนาเรศกครับมรสการพระอาจารย์เออคืพอเรียนถามว่าเ <c oughs> ลวลาเดินจงกรม <c oughs> แม่จิตจะฟุ้งซ่านแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆจนใกล้ จ, จะหมดจะมีอาการใช้ๆ้ง่วงนอนนอนทุกครั้งหมายความว่าอย่างไรครับอ่หมายความว่าตอนที่อ่าจนจะจบก็เลยจะง่วงนอนด้วยไหมครับครับอ่า <c oughs> คือการเดินยังลมเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้จิตเข้าราะวังอนง่วงนอนนั่นเราก็จะต้องพยายามอย่าให้มันง่วง จับตัวจับอะไรมั่งให้มันให้เกิดความรู้สึกไว้เพราะว่าการเดินยังกรมเนี่ยต้องการเปลี่ยนอริยบทเป็นกายภาพนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพื่อให้เรามีสติให้มากขึ้นมันจะนึกคิดไปยังไงเราไม่ว่าการแต่ว่าเรานึกพุทโธไว้จะนึกไปเราก็ดึงมาแต่ยังไงเสียการเดินยังกรมนั่น เราให้ทำสมาธิตื้นไม่ให้ทำสมาธิลึกคือว่าถ้าลึกเขาพะวังแล้วประเดี๋ยวลมขอบพคุณครับต่อไปเขาเชิญคุณพรางทิพธรรมจินดากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเออขากาบเรียนถามพระอาจารย์นะคะเคยหลับตาภาวนาตามที่พระสวดยันทุนไม่มีสั่งนะคะ ขณะที่หลับตาไม่เห็นภาพเป็นคนโบราณสองสามภาพนี่ภาพนี่เกิดจากอะไรคะอะ่เป็นนิมิตเกิดจะเป็นคนโบราณก็ได้หรือจะเป็นคนที่ไหนก็ได้ไอ้สิ่งนี้ต้องเข้าใจว่ามันเกิดออกมาจากใจของเราที่ใจเราได้ไปฉายเอาไว้บางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราฉายไว้แต่เมื่อไรพอเวลาจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดนิมิตเหล่านี้ขึ้น อย่างไรก็ตามเราก็นิมิตก็คือปล่อยให้เป็นนิมิตไปแต่จิตของเราก็ทําจิตของเราให้สงบเกิดพลังขึ้นมาเราต้องการกคงพลังจิตแต่นิมิตเราก็ไม่ว่ากันขอกราบเรียนถามอีกข้อได้ไหมคะอาจารย์พระอาจารย์นะจะกราบเรียนถามว่าระหว่างคาถาที่สวดกับเครื่องรางของ ข, องของังธ์ฤิ์พระเครื่องเนี่ยนะคะ ต้องใช้รวมกันหรือว่าแยกใช้ก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็ถามแปลกแล้วคา <c oughs> ถาก็ใช้ได <c oughs> เ้เราพอใจยังไงก็ใช้อย่างงั้น่ะท่านก็คุ้มครองเราเอง <c oughs> เอาแล้วตอบคนนี้ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณฟานีสุธิจารุกราบน้สการพระอาจารย์เจ้าค่ะ จิตขอเรียนถามว่าเวลาจิตนั่งสมาธิจะมีอาการคันเหมือนกับตัวไหล่ตายตามมือทั้งสงข้างอ่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรฮะแต่สักประมาณยี่สิบนาทีก็จะหายไปฮะอันนี้เกิดเขาเรียกว่าขันทัมมาขันทาัมานก็นามานหมายความว่าไอ้เจ็บๆขันๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหนึ่งที่จะพยายามที่จะให้เราเลิก อย่างหนึง่งต้องการให้เราเไม่อยากทำสมาธิอย่างหนึง่งต้องการให้เราลองทานอย่างหนึง่งแท้ที่จริงแล้วมันไม่มันไม่ใช่ตัวแต่บางทีมันก็เป็นตัวเหมือนกันแต่ว่าโดยมากมันจะไม่ใช่ตัวความรู้สึกอันนี้บางทีมันจะสายจะเข้าหูให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่มีตัว <c oughs> อันนี้เ็าเรียกว่าขันธมาน ถ้าชนะได้ก็ถือว่าเราชนะมานเท่านั้นเองค่ะกราบขอพระคุณครับต่อไปขอเชิญคุณฟรีชาพาณิชพัฒนานนท์กราบนำพิการพักจานครับจิตมีคําถามดังนี้ครับตอนที่จะนั่งสมาธิทุกครั้งนะครับต้องเดินจงกรมก่อนทุกครั้งเสมอไปหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ต้องเมื่อเราถนัดเมื่อลไหนเราก็นั่งไปเลย เดินจงกมลมเราจะเดินจงกลมอย่างเดยอไม่ต้องนั่งสมาธิก็ย่อมได้แต่ที่เราจัดกันเดินจงกลมแล้วนั่งสมาธิที่นี่เพื่อที่จะได้ให้ได้สั่โมงเยอะๆแล้วก็เพื่อที่จะได้ฝึกในระยะหนึ่งเท่านั้นส่วนการไปทําเองเนี่ยตามอัธยาศัยและขอถามต่อนี้ครับเราต้องเดินจงกลมก่อนแล้วถึงทาสมาธิ ดังเสมอฝ่ายปากครับไม่ถึงว่ากรณีเกิดเราไปทําการบ้านที่บ้านสถานที่ไม่อํานวยนะครับจะเดินทำเฉพาะสมาธิอย่างเดียวได้ไหครับได้ทําสมาธิอย่างเดียวไปเลยอครั บ, บนนครับอ่าต่อไปขอเชิญคุณปริยาสุวนรคีรีปริยาสุวนรคีรี เออปรมามมสการของพ่อค่ะลูกจะถามย้อนไปนิดนะคะอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมต่างกันและเกี่ยวข้องกันอย่างไรกรุณาอาธิบายเพิ่มเติมจากที่เคยอธิบายแล้วค่ะนามธรรมนั่นคือสิ่งที่นึกคิดเช่นเรานื้คิดพุดโทโธพุโทโธอย่างเนี้เขาเรีย ก, กว่าในขณะที่ นึกเป็นนามธรรมขณะที่เราจะขยับเอามาทำรรนี่เขาเรียกว่ารูปธรรมเวลาที่เราเดินยองโงนีนการเดินนี่เป็นนามธรรมเวลาที่เรานึกกาหนดจิตนั้นให้เวลาเดินนั้นเป็นรูปธรรมและเราเก้าวขานี่เป็นรูปธรรมเวลาเรานึกนั่นเป็นนามธรรม เวลาที่จิตของเราสงบเป็นสมาธิก็เป็นนามธรรมพอลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกเราก็รู้สึกตัวของเราก็เป็นรู ป, ปรธรรมส่วนที่เป็นรูปประชานอรูปประชานเป็นนา ม, มาธรรมทั้งสิน้นส่วนที่เราฟังที่คำอธิบายต่างๆนี่ถือเป็นรูปธรรมก็เป็น <c oughs> มันยัไม่คมิ่ได้อีกหนึ่งคุณความจิตชื่นจังการในมักกการหลวงพ่อจ้ะค่ะจิตมีคำถามที่จะถามหลวงพ่อนะคะตอนที่จิตนั่งสมาธิเนี่ยจิตของโลกสงบอยู่ที่เน้อหาภาวนาคำ ว, ว่าพุโทโธมีความรู้สึกว่าจิตสงบแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือ เหมือนร่างกายนี่หนักขึ้นแล้วก็ขวาทับซ้ายมือขวาทับซ้ายเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีกำลังแล้วก็หนักขึ้นไม่ทราบว่าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรค ะ, ะความรู้สึกนิ่นเป็นปกติงหนักและทั้งเบาเือจริงที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่ผิดปกติกว่าเดิม มันจะเบาก็ได้มันจะหนักก็ได้มันจะเป็นตัวเล็กก็ได้เป็นตัวใหญ่ก็ได้ขนพองจย้อเกล้าวก็ได้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปฏิชนิดหนึ่งคือจิตกำลังจะเข้าสู่ปมฐมฌานขอบขอบคุณะะด้วค่ะวันนี้ก็ได้จบลงแล้ว